ทำให้คนเป็นคนดีคือคนใดมีธรรมคือความกะตัญยูกรตะเวทีคนนั้นก็คือคนดีนั่นเองในด้านตรงกันข้ามคนใดไม่มีกะตัญญูกรตะเวทีคนนั้นไม่ใช่คนดีเชิญสำรวจตัวเองให้ทุกคนให้เห็นใจตนอย่างชัดเจนตรงความจริงว่ามีความกะตัญญูกระตะเวทีหรือไม่แล้วก็จะได้รู้จักตนเองว่า เป็นคนดีหรือไม่ไม่มีกระตัญญูกะตะเวทีไม่เป็นคนดีจริงๆอย่าสงสัยแต่จงเร่งอบรมใจตนเองให้มีกระตัญญูกะตะเวทิตาทมให้จงได้อย่าให้ผ่านชีวิตนี้ไปสู่ชีวิตหน้าที่ยาวนานโดยไม่ถือโอกาสสร้างชีวิตในภพชาติข้างหน้าให้สวยสดงดงามอย่างยิ่งกระตัญญูกะตะเวทิตารม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 เพียงมีกตัญญูรู้คุณท่านเท่าที่กล่าวนี้ก็เพียงพอจะคุ้มครองตนให้พ้นจากความไม่ดีทั้งปวงได้ขอให้เป็นความกตัญญูกะตะเวทีจริงใจเท่านั้นอย่าให้เป็นเพียงนึกว่าตนเป็นคนกตัญยูความจริงกับความนึกเอาแตกต่างกันมากผลที่จะได้รับจึงแตกต่างกันมากด้วยผู้มีกตัญญูกะตะเวทีนั้นจะรู้จักบุญคุณ